ต่อไปก็สีละสูตรสีละสูตระในข้อ284นะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดถึงพร้อมแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นผู้กล่าวสอนให้รู้แจ้งให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงเป็นผู้สา ม, มารถบอกพระสัทธรรมได้ อย่างดีดูความพิสษุทั้งหลายเราตถาคตกล่าวการเห็นภิกษุเหล่านั้นก็ดีเหล่านั้นครับเหล่าที่มีธรรมะขันห่านะคือศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนและสามารถสอนแบบนั้นได้ด้วยเนี่ยนะครับบอกว่าการเห็นภิกษุเหล่านั้นก็ดีการฟังภิกษุเหล่านั้นก็ดีการเข้าไปใกล้ภิกษุเหล่านั้นก็ดีการนั่งใกล้พิสูจเหล่านั้นก็ดี การระลึกถึงภิกษุเหล่านั้นก็ดีการบวชตามภิกษุเหล่านั้นก็ดีว่ามีอุปการะมากนะครับไม่ว่าจะเห็นฟังเข้าใกล้นั่งใกล้และลึกถึงหรือบวชตามนี่นะครับมีอุปการะมากจริงๆนะครับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเมื่อภิกษุซ่องเสพคบหาเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุเห็นปานั้นศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุติขันวิมุตติญาณทัศน์ขันที่ยังไม่บริบูรณ์ ก็จะถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนานะครับจะบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมเหล่านี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะท่านท่านเนี่ยสอนท่านให้รู้แจ้งให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้ร่าเริงอะนะครับบอกวิธีข้อปฏิบัติให้ถึงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติยานทันศนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าไปใกล้ก็จะได้บริบูรณ์ด้วยคุณธรรมเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้เห็นแจ้งนี้นั้นตถาคตกล่าวว่า เป็นศาสดาบ้างนะครับเป็นผู้นําพวกบ้างละค่าศึกคือกิเลสบ้างกระทําแสงสว่างบ้างกระทําโอกาสบ้างกระทําความรุ่งเรืองบ้างกระทํารัศมีบ้างทรงคบเพลิงไว้บ้างเป็นอริยะบ้างมีจักษุบ้างนะครับโอ้พระองค์เรียกชื่อยกย่องต่างหลายชื่อนะครับว่าเป็นทั้งผู้ศาสดานะครับเป็นผู้สอนนะนะเป็นผู้นําพวก เป็นผู้ละค่าศึกคือกิเลสผู้ทำแสงสว่างผู้ให้โอกาสนะว่าเปิดช่องนะเป็นผู้ที่ทำความรุ่งเรืองทำให้มีรมัศมีครับทรงคบเพลิงนะครับมีแสงสว่างนะเป็นอริยะเป็นผู้มีจักสุนะครับ และผมก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าการได้เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีตนอันอบรมแล้วผู้มีปกติเป็นอยู่โดยธรรมย่อมเป็นเหตุแห่งการกระทำซึ่งความปราโมทแก่บัณฑิตทั้งหลายผู้รู้แจ้งบัณฑิตทั้งหลายฟังคำสั่งสอนของพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้กระทารัศมีผู้กระทำแสงสว่างเป็นนักปราชผู้มีจักสุละฆาสคือกิเลส ประกาศพระสัตทธรรมยังสัตวโลกให้สว่างแล้วรู้โดยชอบซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมไม่มาสู่พบใหม่นะครับนะถ้าสามารถรู้แจ้งแทงตลอดสัตทธรรมโดยเฉพาะโพธิปักขิยธรรมในระดับอรหัตตมรรคก็ไม่ต้องย้อนกลับมาสู่พบใหม่อีกแล้วนะครับก็าสามารถทำที่สุดแห่งวัตฏทุกได้ สังเกตดูนะครับถ้าหากว่าเราศึกษาพระธรรมคําสอนตามพระสูตรนะครับทุกๆสูตรประกาศอริยสัจหมดนะครับทุกสูตรเนี่ยประกาศอริยสัจซะส่วนใหญ่เลยนะครับนะอย่างน้อยที่สุดก็ต้องวัตต์นะครับคืออริยสัจนี่เป็นทั้งวัตตะและวิวัตะนะครับถ้าทุกขสัจกัสมุทัยสัจนี่เป็นวัตต์ถ้าอริยมรรคนิโรธเป็นวิวัตะเพราะฉะนั้นอ่าถ้าอ่านเป็นนะครับทุกสูตรก็จะประกาศเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจจริงๆนะครับ ในชั้นต้นนะครับในการอ่านพระไตรปิฎกอย่างน้อยๆที่สุดก็ประชุมหรือประมวลให้เห็นเป็นอริยสัจก็ยังดีก่อนถ้ามองไม่เห็นเป็นอริยสัจนะครับจะทำกิจไม่ได้นะครับจะทากิจอะไรไม่ได้เลยเพราะทุกสัตร็มีกิจคือการกำหนดรู้นะครับสมุทัยสัจมีกิจคือการละนิโรธสัจมีกิจคือการทำให้แจ้งมรรสสัจมีกิจคือการเจริญ ถ้ามองไม่เห็นเป็นอริยสัจแล้วนะครับจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรควรกําหนดรู้จะรู้ได้ยังไงว่าอะไรควรละจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรควรทําให้แจ้งจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรควรเจริญถ้าอ่านและประมวลเป็นอริยสัจไม่ได้นะครับก็ยากเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอ่านไปเรื่อยเดี๋ยวท่านก็ชี้จนเห็นนั่นแหละครับถ้าไม่ทิ้งท่านซะก่อนท่านก็ไม่ทิ้งเรานะครับถ้าเราไม่ลืมท่านท่านไม่ลืมเราแน่นะครับแต่ท่านก็นิพพานหมดแล้วนะ นะอัตกถาศีลสูตรกล่าวว่าบทว่าศีลสัมปัปนนาเมี่ออธิบายว่าโลกิยศีลและโลกุตระศีลของพระขีนาสพทั้งหลายเนื่อชื่อว่าศีล น, นะครับเอาแบบศีลในอารยมรรยผลของท่านนะนะภิกษุทั้งหลายชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเพราะหมายความว่าสมบูรณ์คือประกอบด้วยศีล น, นั้นๆแม้ในสมาธิและปัญญาก็มีในนี้ส่วนวิมุติได้แก่ผลและวิมุตินะครับ ถ้าศีลเนี่ยนะครับเช่นโ ล, โลกิยะและโลกุตระแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญานี้เป็นระดับอรหัตธรรมกด้วยนะส่วนวิมุติได้แก่ผลและจิตทั้งหลายวิมุตติยานัทสนะได้แก่ปัจจเวกขณะยานเพราะฉะนั้นในอธิการนี้ธรรมะมีศีลเป็นต้น ท, ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระนะครับศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นทั้งโลกิยาโลกุตระวิมุติคือผลและจิตเป็นโลกุตระอย่างเดียววิมุตติยานัทสนะเป็นโลกิยะเพราะ ปจเวกขณะยานนะครับปัจเวกขณะยานนี้เป็นโลกิยาเอาละับสินที่เป็นโลกิยะและโลกุตระต่างกันยังไงมันมีความมีข้อเปรียบย่อยยังไงที่แยกกันระหว่างศีลโลกุตระสิลโลกิยะก็เช่นจตุปาริสุททิศีนทั้งหลายนะครับในระดับจตุปาริสุททิสินนะครับเรียกว่าศีลที่เป็นโลกิยะส่วนศีลในอริยมรรคเรียกว่าศีลที่เป็นโลกุตระนะครับ เพราะว่าอริยมรรคก็เป็นศีลเนาะภิกษุทั้งหลายชื่อว่าผู้กล่าวสอนนะครับเพราะหมายความว่ากล่าวสอนคือพร่ำสอนบุคคลเหล่านั้นด้วยทิฏฐธรรมิกกถประโยชน์สำปรายิกกถประโยชน์และประมาถประโยชน์ตามสมควรผู้สอนที่แท้จริงก็คือสอนประโยชน์ใน โลกนี้สอนประโยชน์ในโลกหน้าแล้วก็สอนประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานนะครับจึงจะเรียกว่าผู้สอนวิญญาปกาได้แก่ช่วยบุคคลเหล่าอื่นให้เข้าใจกรรมและผลของกรรมนะครับทเทียกว่าให้รู้แจ้ง่ะนะแค่ไหนเรียกว่าให้รู้แจ้งก็คือให้รู้ว่าอะไรเป็นกรรมอะไรเป็นผลของกรรมเออกรรมคืออะไรครับกรรมได้แก่เจตนาเจตนาร่วงทางกายเรียกว่ากายกรรมเจตนาล่วงทางวาจาเรียกว่า วจีกรรมเจตนาทางใจนะครับมโนกรรมผลของกรรมเป็นยังไงครับผลของกรรมก็จะให้ผลเป็นปฏิสนธิเป็นวิบากและกรรมมชรูปนะครับเรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอายตนะใช่ไหมครับนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นผลของกรรมปฏิสนธิจิตภวังคจิตจุติจิตก็เป็นผลของกรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจผิวพรรณรูปร่างกายส่วนที่เป็นกรรมมชรูปก็เป็นผลของกรรม อาศัยสิ่งเหล่านี้ก็มาทํากรรมใหม่นะครับทํากรรมใหม่อาศัยตาก็มาทํากรรมทางตานี่แหละอาศัยหูก็มาทํากรรมทางหูนะครับอาศัยจมูกก็ทํากรรมทางจมูกอีกนั่นแหละอาศัยลิ้นกายและใจก็มาอาศัยสิ่งเหล่านี้ทํากรรมใหม่อีกนะครับก็เพื่อให้มีผลอันใหม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาศัยอดีตเหตุก็เลย ได้รับผลอันปัจจุบันอาศัยผลในปัจจุบันก็ทำเหตุใหม่เพื่อที่จะมีผลต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นชีวิตนะจะว่าซ้ำซ้ำซักซกก็ซ้ำซากนะครับใช่หมตื่นเช้ามาก็ตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจอาศัยตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจก็ทำกรรมด้วยกายวาจาและใจเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอันใหม่นะครับทีนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันใหม่นี่จะเป็นตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจแบบไหนครับ ตาหูจมูกลิ้นกายใจบางอย่างเรียกว่าสัตว์นรกตาหูจมูกลิ้นกายใจบางอย่างเรียกว่าเปรตตาหูจมูกลิ้นกายใจบางอย่างเรียกว่าเดรัจฉานตาหูจมูกลิ้นกายใจบางอย่างเรียกว่ามนุษย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจบางอย่างเรียกว่าเทวดาตาหูใจบางอย่างเรียกว่าพรหมใจบางอย่างเรียกว่าอรูปพรหมเพราะฉะนั้นเหตุทั้งหลายเหล่านี้ก็เนื่องจากกายวาจาและและใจนะกายวาจาและใจนั่นแหละครับเป็นเหตุแห่ง พบทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะนะอย่างมนุษย์เนี่ยนะครับอาศัยบุญในะอดีตมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายใจมาทําเหตุใหม่เหตุใหม่หรือตําใหม่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจอันใหม่ดีไหมครับม่วนขนาดเลยนะปัญหามันไม่ได้เท่าเก่านะหล่อเท่าเดิมก็ยังดีใช่ไหมครับปัญหามจะหนักกว่าเก่าที่ถ้าโทสามมากก็ไม่งามเท่าเดิมนะครับนะครับ เพราะฉะนั้นเเหตุและผลเหล่านี้นี่นะครับถามว่าอะไรเป็นตัวเชื่อมเชื่อมกรรมและผลของกรรมไว้อะไรเชื่อมไว้ครับตัณหานะเป็นตัวสมานไว้นะตัวสมานตัวประสานไว้ถ้าหากว่าละตัณหาในกรรมและผลของกรรมได้เด็ดขาดสิ้นเชื้อนะครับสิ้นเชือ้อนะสิ้นตัณหาก็สิ้นอะไรถ้าสิ้นอะไรกรรมก็ไม่ให้ผลอีก ต่อไปก็ทำที่สุดแห่งวัตถุทุกได้นะเพราะฉะนั้นวิญญาประกาก็คือช่วยให้บุคคลอื่นรู้กรรมและผลของกรรมอันหนึงบทว่าวิญญาประกานั้นมีอธิบายว่าช่วยบุคคลเหล่าอื่นให้รู้แจ้งซึ่งธรรมทั้งหลายด้วยนัยยะทั้ง3ใช่ไหมครับคือให้รู้แจ้งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและก็ประโยชน์อย่างยิ่งตามที่กล่าวมาแล้วนะแล้วก็สามารถที่จะแนะนําให้เห็นลักษณะของตน แล้วก็เห็นสามัญญลักษณะนะครับคือแนะนําให้เห็นสภาวะลักษณะนะครับเช่นลักษณะของรูปขันลักษณะของเวทนาขันลักษณะของสัญญาขันลักษณะของสังขารขันและลักษณะของวิญญาณขันทีนี้ในลักษณะของขันทุกอย่างก็มีสามัญญะเหมือนกันคือไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปนะขันท่าทุกขันเลยนะไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระ แล้วในขันทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังมาจําแนกเป็นกุศลเป็นต้นนะครับจําแนกเป็นกุศลว่าเออขันบางอย่างเป็นกุศลเช่นเวทนาบางอย่างเป็นกุศลเวทนาบางอย่างเป็นอกุศลเวทนาบางอย่างเป็นอัพยากตะรูปเป็นอัพยากตะอย่างเดียวนะครับก็สามารถจําแนกแจกแจงสิ่งเหล่านั้นตามลักษณะแห่งมาติการแล้วก็สามารถรู้เออนี่เป็นอกุศลนะั่นี่มีโทษนี้ไม่มีโทษนะนะ หรือว่านี้เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็ทั้งนี้เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นต้นนะครับก็สำจําแนกแจกแจงให้เห็นลักษณะนี้เขาเรียกว่าวิญญาปากานะครับที่แปลว่าให้รู้แจ้งนะครับให้รู้แจ้งในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอนะให้รู้แจ้งนะครับแนะนําส่องให้เห็นเลยนะครับบทว่าสันทัศกาได้แก่แสดงธรรมะเหล่านั้นให้บุคคลอื่นเห็นได้ชัด เหมือนจับธรรมะเหล่านั้นด้วยมือนะครับเหมือนกับหยิบมาให้ดูเลยนะครับโอ้นี่ทุกมันเป็นอย่างนี้นะทุกขสมุทัยมันเป็นอย่างนี้เนะี่ยเหมือนก็เอายื่นมาให้ดูเลยนะครับบทว่าสมาทปากาได้แก่ทำให้บุคคลเหล่าอื่นสมาทานศีลเป็นต้นที่ยังไม่ได้สมาทานนะครับจะไม่ให้สมาทานศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณอัสนะเนี่ยนะให้มุ่งเลยนะครับ ก็คือทําบุคคลเหล่าอื่นนั้นให้ดํารงอยู่ในศีลเป็นต้นนะครับชื่อว่าสมาธปกาให้สมาทานในการปฏิบัตินะครับในชั้นต้นเลยนะครับก็คือชั้นต้นเขาว่าไงนะเป็นผู้สอนแล้วก็ทําให้รู้แจ้งทําให้เห็นแจ้งแล้วก็ให้เห็นชัดให้สมาทานพอสมาทานก็สมุตเตชากาทําจิตของบุคคลทั้งหลายผู้ดํารงอยู่ในกุศลธรรมเหล่านี้นี่นะครับ ให้อาถานด้วยดีด้วยการแนะนําในการบําเพ็ญอธิจิตขั้นสูงขึ้นไปนะคือเมื่อคุณตั้งมั่นอยู่ในศีลเหล่านี้แล้วนะคุณก็ไม่เดือดร้อนทางกายและ ว, วาจาแล้วนะไม่เดือดร้อนใจแล้วนะครับไม่ต้องไปทุกไปร้อนแล้วเพราะอาศัยศีลที่ไม่มีโทษหรือกุศลศีลใช่ไหมครับเมื่อไม่มีโทษก็ทําให้ปีติปราโมทย์ปัสสัทธิสุขก็สมาธินะสมาธิคุณควรเจริญอย่างนี้นะนะครับเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเจริญอสุภะเป็นต้นนะครับ ทำจิตของเขาให้ผ่องใสด้วยการพิจารณาโดยประการที่เขาจะบรรลุคุณวิเศษขึ้นนะครับหลังจากที่จิตสงบตั้งมั่นแล้วก็ให้อาฐานขึ้นไปกว่านั้นอีกก็คือด้วยการพิจารณาขันทั้งหลายเป็นต้นนะครับก็สา ม, มารถที่จะบรรลุคุณวิเศษคือมรรคผลได้บทว่าสมปหังส ก, กาความว่าทำจิตของบุคคลเหล่าอื่นนั้นให้ร่าเริงด้วยดีด้วยคุณวิเศษตามที่กล่าวแล้ว และที่จะเพึงได้ในขั้นสูงคือทําจิตของเขาให้ยินดีด้วยดีด้วยอํานาจความพอใจที่ได้แล้วนะครับบทว่าอลังสมักขาตาโรได้แก่เป็นผู้สมควรคือบอกธรรมะได้โดยชอบทีเดียวได้แก่ด้วยประสงค์จานุเคราะห์ไม่ทําธรรมะที่ตนได้เล่าเรียนมาคือตามที่กล่าวแล้วให้เสื่อมศูนไปอ่านนะ ฟังดูดีนะว่าภิกษุเราได้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะแล้วก็เป็นผู้สอนให้รู้แจ้งให้เห็นแจ้งให้สม า, า, าทานให้อาถานให้ร่าเริงเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถบอกพระธรรมได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับทำให้เห็นลักษณะอย่างหนึ่งของผู้ที่แสดงธรรมนะครับถ้าเราได้อยู่ใกล้ชิดภาษาริบูตรพระโมคคัลลานะพระนนท์เนี่ยนะ ถ้าได้ใกล้ชิดแบบนั้นเนี่ยนะท่านจะสอนเราให้รู้แจ้งให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถารให้ร่าเริงนะคบและท่านก็จะบอกภสษทธรรมเป็นต้นของเราให้ดียิ่งๆิ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเพียบพร้อมบริบูรณ์จากหลักอันนี้ทำให้เห็นอย่างหนึ่งนะคะว่าถ้าพูดผู้ใดจะกล่าวธรรมต้องตั้งความหวังนะว่าเมื่อเราพูดธรรมะนั้นจบเขาต้องเห็นชัดเห็นแจ้ง อาฐานสมาทานร่าเริงนะครับพร้อมที่จะเอากุศลธรรมเหล่านั้นไปปฏิบัติจึงจะเชื่อว่ากล่าวทําได้อย่างถูกต้องนะครับแต่ถ้าฟังแล้วเขาเครียดนะครับงุดงิดนักกว่าเดิมเป็นต้นนะครับเอ๊ตอนแรกเขาก็ไม่ได้บาปขนาดนั้นนะพอมาฟังทำทําไมบาปขึ้นนะมันก็ต้องใครโครนให้ดีนะครับเพราะนั้นการกล่าวธรรมก็ไม่ได้กล่าวเพื่อความสะใจอะไรนะครับกล่าวเพื่อความเจริญงอกงามแห่งธรรมทั้งผู้กล่าวและผู้ฟัง อีกประการหนึ่งนะครับบทว่าสามทัศกาที่บายว่าภิกษุเมื่อแสดงธรรมก็แสดงด้วยดีทีเดียวทั้งปวติและนิวติตามสภาวะลักษณะแห่งกิจที่แท้จริงนะแสดงปวตินั้นคือแสดงอะไรครับปวตินี้เป็นชื่อของความเป็นไปอะไรเป็นไปครับขันเป็นไปขันพร้อมทั้งเหตุนั่นแหะครับเรียกว่าปวติขันทั้งเหตุเหตุแห่งขันก็คือตัณหาเป็นต้นนั่นเองนะครับ ตันหาเนี่ยเป็นตัวเชื่อมให้เห็นขันนะครับแล้วก็เหตุแห่งขันขันบางอย่างนี่เป็นเหตุใช่ไหมครับเช่นสังขารขันก็เป็นเจตนาเป็นกรรม น, นะเพราะฉะนั้นขันทั้งหลายเนี่แหละครับเป็นไปส่วนนิวตินิวติมุนกลับนั้นเป็นชื่อของนิพานนะครับเหตุแห่งนิวติคืออริยมรรคนะครับที่กําหนดรู้ขันละสมุทัยนะครับจึงจะบรรลุนิวติอั น, นั้นได้เพราะฉะนั้นก็ต้องแสดงธรรม ให้ดีทีเดียวนะครับสันทัศกาตัวนี้นะครับต่อไปก็สมาธาปกายังผู้ฟังให้ยึดถือเนื้อความนั้นนั่นแลโดยให้เนื้อความนั้นตั้งมั่นอยู่ในจิตนะครับผู้จะให้เขาดำรงนี่แหละครับเห็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่นะครับถ้อยคำเหล่านี้เนี่ยตั้งมั่นอยู่ในจิตแล้วเอาไปเพ่งได้ต่อไปนะครับบทว่าสมุตเตชากา ยังผู้ฟังให้ผ่องใสหรือรุ่งเรืองด้วยดีทีเดียวด้วยการให้เกิดอุตสาหะในการรับเอาเนื้อความนั้นนะครับเมื่อเขาอดํารงคําสอนเหล่านี้อยู่ในจิตในใจของเขาแล้วนะครับเขาต้องเกิดอุตสาหะนะมาใช่โอ้โหฟังแล้วก็รับจํารับจํายอมจําทนนะครับสูก้กล้ำกลืนเนี่ยนะเขาเรียกว่าเขายื่นอาหารให้มาเนี่ยรสมันไม่อร่อยเลยแต่จําเป็นต้องอมแล้วก็ต้องบังคับให้กลืนไว้ใช่แบบนั้นนะครับ เขายื่นอาหารอร่อยมาก็กละลืนด้วยความเต็มใจนะครับเป็นต้น น, นะต้องเป็นแบบนั้นอันรับเอาไปด้วยดีนะครับเอาไปพิจารณาเอาไปเพียนไปเพ่งนะนบทว่าสำปหังสกาความว่ายังผู้ฟังให้ร่าเริงคือให้ยินดีด้วยดีทีเดียวซึ่งเนื้อความนั้นด้วยการแสดงอนิสงฆ์ในการปฏิบัตินะครับแสดงให้เห็นอนิสงฆ์เลยนะถ้าโสดาปฏิผลเมียอนิสงฆ์อย่างไรบ้างครับอาจารประโมทโสดาปฏิผลมียอนิสงฆ์ย่งไรบ้าง โอ้โหปิดอบายได้เลยครับอีกอย่างนึงอย่างอื่นนี่ครับเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติได้ครับออครับนี่ก็ยังดีแล้วนะครับถ้าอ่านในธรรมบทใช่ไหม ย, ยิ่งใหญ่กว่าที่ปไตยของพระเจ้าจากักรพรรดินะนะโสดาปฏิผลนีใช่ไหมครับยิ่งใหญ่กว่าที่ปไตยของพระเจ้าจักรพรรดินะยิ่งใหญ่กว่าสวรรค์ชั้นฟ้าทั้งยี่สิบกชั้นนะครับเพราะว่าสวรรค์ทั้งหลายแลไรเนี่ยอาจจะจุติจากสวรรค์กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีกก็ได้นะครับ หรือว่ากองแห่งวัตถทุก์ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าทุกทั้งหลายของผู้ที่เป็นพระสโสดาบันเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับทุกขของปุตชันนะทุกของปุตชนเนี่ยใหญ่เท่ากับแผ่นดินสํานวนนะใหญ่เท่ากับแผ่นดินทุกข์ของพระสโสดาบันก็เหลือเท่ากับทรายเจ็ดเม็ดเหมือนกันเหลือนิดหน่อยเดียวนะทุกของปุตชนทั้งหลายมากเท่ากับน้ําทะเลทุกขของพระสโสดาบันเหลือเท่ากับน้ําทะเลเจ็ดหยดนะครับมันก็โหสิ้นทุกขไปขนาดนั้นนะครับเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นปิดอบายได้แล้วนะครับปิดอบายได้แล้วก็อยู่เรียกว่าเป็นคนที่เห็นพระนิพพานแล้วนะครับเป็นผู้ที่อยู่ชิดพระนิพพานแล้วเป็นคนที่มั่นคงไม่วันไว้ไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพาระรหันไม่ทําสังฆเพศนะครับไม่ทําโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ตก บ, บาศไม่นับถือาศาสดาอื่นอย่างแน่นอนไม่มีข้อทิฏฐิที่สําคัญว่าขันเนี่ยเที่ยงขันนี่เป็นสุขขันนี่เป็นอัตตาไม่มีสักอย่างเลยนะครับ แล้วท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่ดำรงมั่นอยู่ในคำสอนท่านเจตนาให้ล่วงอาบัติแม้เหตุแห่งชีวิตก็ไม่มีถ้าเป็นอาบัติจะรีบทำคืนเหมือนกับเด็กอ่อนนอนแบบเบาเยียดมือไปถูกไฟก็จะรีบดึงกลับคืนชั้นได้นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีรษะศีกขานะครับลนนักษณะนั้นนะะเนี่ยอันนี้ทรงของโสดาบันใช่ทัศกาลทาคามียิ่งกว่านี้อีกนะครับ นะอนาคามีอรหรันต์ก็โอ้โหเป็นอรหันต์ก็ทําที่สุดแห่งวัฏฏทุกข์ได้บทว่าอลังสมาขคาตาโรความว่าเป็นผู้สา ม, มารถที่จะบอกได้ตามนัยยะที่กล่าวแล้วคือเป็นผู้แสดงสัพธรรมได้แก่ปฏิเวทสัพธรรมหรือสัพธรรมทั้งสาอย่างก็สา ม, มารถแสดงอ่าการบรรลุโลกุตระธรรมได้นะครับหรือสา ม, มารถที่จะอธิบายให้เห็นชัดว่าเออนี่ปริยติสัพธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านะปริยัติศั ทำเหล่านี้เนี่ยเกื้อกูลต่อการปฏิบัติอย่างไรเมื่อปฏิบัติแล้วจกได้รับผลอย่างไรนะคบก็จะชี้แจงให้เห็นแจงให้อาถานสมาทานร่าเริงแบบนั้นนะครับ